วันนี้เป็นวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2563เป็นวันพระเป็นวันธรรมมัตสวาณะแปบลบว่าวันฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบัญญัติไว้ ให้ชาวพุทธเราได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังได้ฟังธรรมกันเพราะการฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งนำความสุขความเจริญมาให้แก่จิตใจการฟังธรรมตามการตามเวลาหมายถึง อ, อย่างน้อยก็ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งสำหรับผู้ที่คลองเรือนผู้ที่ยังมีภารกิจการงานหน้าที่ต่างๆ ต, ต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ส่งให้หยุดสักหนึ่งวันต่อ อ, อาทิตย์หนึ่ง สมัยนี้เราก็มีการหยุดทำงานอยู่ในวันเสาร์วันอาทิตย์ในสมัยพุทธกาลจะหยุดกันในวันพระตามปฏิทินจันทราคติคือขึ้นแปดค่ำขึ้นสิบห้าค่ำแรมแปดค่ำแรมสิบห้าค่ำหรือแรมสิบสี่ค่ำ ก็เป็นประมาณาทุกเจ็ดวันหรือแปดวันจะมีการหยุดทำงานเพื่อที่จะได้มีเวลาเข้าวัดเพื่อไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมจากพระผู้ทรงคุณธรรมเพราะในสมัยอดีตนั้น ไม่มีสื่อต่างๆเหมือนกับที่มีอยู่ในสมัยนี้การจะฟังธรรมต้องฟังจากปากของผู้รู้คือของพระอริยบุคคลที่ทำนักอยู่ตามสำนักตามวัดวาอารามต่างๆผู้ที่ต้องการฟังธรรมก็ต้องไป วัดวารามถึงจะได้ฟังธรรมกันในกรณีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทุกวันถือเป็นภารกิจของพระองค์ที่ทรงธรรมอย่างต่อเนื่องสอนบ่ายทรงสอนให้กับขาลาวาสญาติโยม ผู้ที่มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆตอนค่ำสรงสอนพระภิกษุสามเณรภิกษุณีสามเณรีตอนเด็กสรงสอนเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายได้นายามเช้าตอนก่อนจะเสด็จออกบินถบาทได้สงรงแรงยานดูว่าจะไป สอนไขในเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นนี่คือพุทธกิจของพระพุทธเจ้าส่งให้ความสำคัญต่อการแสดงธรรมพุทธกิจห้านี้เกี่ยวกับการแสดงธรรมถึงสี่กิจด้วยกันเพราะธรรมนี้เป็นของหายากเป็นของที่เกิดขึ้นยาก น า, นานจะปรากฏให้โลกได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นสักครั้งหนึ่งโดยอาศัยการตัดสรู้ของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีการตัดสุรู้ของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแสงสว่างแห่งธรรมจะไม่ปรากฏให้กับโลกนี้ ได้สัมผัสได้รับรู้เลยต้องรอให้มีพระอาหารหันต์ตัศ ม, มาสัมพุทธเจ้ามาตัดสรุปก่อนแล้วหลังจากที่ได้ทรงตัดสรุปแล้วก็จะนําเอาความรู้ที่พระองค์ได้ทรงตัดสรุนี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้กับสัตว์โลกที่มืดบอด จากแสงสว่างแห่งธรรมไม่รู้เรื่องของตนเองว่าตนเองเป็นใครมาจากไหนและจะไปที่ไหนต่อไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายก็รู้ว่าร่างกายในที่สุดก็ต้องเข้าสู่ความตายพอตายก็ย่อยสลาย กลายเป็นดินกลายเป็นขี้เท่าขี้ถานไป mm hmm. เมื่อเห็นว่าตนเป็นร่างกายและในที่สุดร่างกายก็ต้องตายไป mm hmm. ก็ะไรต้องรีบใช้เวลาในขณะที่มีชีวิตอยู่หาความสุขให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้เ mm hmm. พราะ ต้องการความสุขกันนั่นเองเพราะเวลาไม่มีความสุขจะมีความรู้สึกไม่สบายใจกันจึงต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการหาความสุขในรูปแบบต่างๆต้องทุ่มเทเวลาเวลาให้กับการหาปัจจัย เครื่องม้เครื่องมือที่จะสนับสนุนการหาความสนุกการหาความสุขชนิดต่างๆให้กับตนเองชีวิตก็เลยมุ่งไปที่การหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายพอ เวลาได้สัมผัสกับรูปเสียงกิรลดโพธิภพชนิดต่างๆใจก็จะเกิดความรู้สึกสดชื่นเบิกบานขึ้นมาเวลาที่ไม่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกิ่รลดโพธภิภพใจก็จะรู้สึกเศร้าสร้อยหงอยเหงาจึงต้องพยายามหารูปเสียงกิ่รลดโพธิภพชนิดต่างๆ มาเสพอยู่เรื่อยๆและการที่จะหารูปเสียงกิจรถโพธพะมาเสพได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยคือเงินทองหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องใช้กำลังกายของตนสร้างรูปเสียงกิจรถโพธพะชนิดต่างๆขึ้นมาเสพ นี่คือการดำรงชีวิตของสัตว์โลกของมนุษย์ในยุคที่ไม่มีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้แสงสว่างมาให้ความรู้ความเป็นจริงของชีวิตของมนุษย์ว่าแท้จริงแล้วมนุษย์นี่ เป็นใครและจะเป็นอะไรอย่างไรต่อไปหลังจากที่ร่างกายได้สิ้นสุดลงแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นเพียงผู้มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ หาความสุขต่างๆให้กับใจเท่านั้นแล้วหลังจากที่ร่างกายตายไปใจที่ยังหิวโหยยังมีความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆก็จะมุ่งไปสู่การหาร่างกายอันใหม่ต่อไป เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้มาตอบสนองความอยากของใจเพื่อบำบัดความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาวความรู้สึกไม่สบายใจให้มันหมดไปแต่ไม่ว่าจะหารูปเสียงกิจลดผลธภาพชนิดต่างๆมาได้มากน้อยเพียงไร มันก็จะบาบัดความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาได้เป็นครั้งเป็นคราวไปคือเวลาใดหลังจากที่ไม่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพ้ทาแล้วเวลานั้นใจก็จะกลับมาเศร้าส้อยหงอยเหงาต่อไปจึงต้องดิ้นดอนขวนขวายคอยหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพ้ทา มาเสพมาสัมผัสอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องเหนดเหนื่อยเมื่อลรกับการแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาเหมือนกับดินฟ้าอากาศไม่ได้มากับสายฝนเป็นสิ่งที่ต้องหากัน เพราะความอยากในรูปเสียงกดลิ่นรสผลตภะของแต่ละจิตใจนั้นก็มีหลากหลายด้วยกันส่วนใหญ่แล้วมากอยากจะได้รูปเสียงกดลิ่นรสผลตภะที่ยังไม่มียังไม่ได้สัมผัสรูปเสียงกดลิ่นรสผลตภะที่ได้สัมผัสแล้วก็จะเกิดความจำเจเบื่อหน่าย ก็จำเป็นที่จะต้องคอยเปลี่ยนคอยหารูปเสียงกลิ่นรสผทพ้าชนิดใหม่ๆมาให้ใจได้เสกอยู่เรื่อยๆจึงจำเป็นที่จะต้องมีการแสวงหามีการเดินทางเพราะการจะได้รูปเสียงกลิ่นรสผุดพ้าใหม่ๆจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนสถานที่นั่นเอง เวลาอยู่ในสถานที่เดียวก็จะเห็นแต่รูปเสียงกลิ่นรสโปรตพาแบบเดียวกันเช่นเวลาอยู่ในบ้านซึ่งเราทุกคนช่วงนี้คงจะรู้ว่าเป็นอย่างไรเพราะเราถูกทางการขอร้องหรือสั่งให้เราอยู่ในบ้านกันเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของร่างกาย เนื่องจากมีโรคระบาดอยู่ซึ่งถ้าออกไปพบปะกันไปเจอกันก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้กับกันและกันได้จึงต้องอยู่กับบ้านกันออกไปก็ต้องมีมาตรการป้องกันตัวเช่นให้สวมหน้ากากให้ อยู่ห่างกันไม่ให้อยู่ใกล้กันเพราะเวลาอยู่ใกล้กันเชื้อที่มีอยู่ในร่างกายนี้สามารถกระโดดจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งได้นั่นเองจึงต้องถูกขักขังตัวอยู่ในบ้านก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายเพราะเวลาอยู่ในบ้านก็จะเห็นแต่รูปเสียงกลิ่นรถผัตภะ แบบเดิมๆอะไรที่มันเป็นแบบเดิมๆอะไรที่มันจำเจซ้ำซากมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่นเ บ, บิกบานขึ้นมานี่คือธรรมชาติของความอยากของใจที่อยากได้ของแปลกๆใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ โลกเราจึงมีการผลิตของแปลกๆใหม่ๆออกมาร่อตาล่อใจกันอยู่เรื่อยๆถึงแม้จะเป็นเครื่องใช้ไม่สอยอันเดียวกันก็มีวิธีที่จะสร้างความดุดเดือดใจเปลี่ยนเป็นสีชนิดต่างๆบ้างเปลี่ยนเป็นรูปร่างลักษณะชนิดต่างๆบ้างจากตมมาแบรนจากแบรนมา เป็นลักษณะต่างๆเพื่อให้มันเห็นแปลกหูแปลกตาขึ้นมาราเกิดความแปลกหูแปลกตาก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาคนที่ผลิตก็จะได้มีรายได้าขายสินค้าของตนได้นี่แหละคือปัญหาของใจของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง มีความอยากที่ไม่รู้จักหิ่มจากพอฝังอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาและเป็นตัวที่คอยผลักดันให้ใจนี้ไปสร้างบุญสร้างกรรมกันไปเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะเวลาที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดผธพระ บางครั้งก็ต้องหาโดยวิธีเบียดเบียนผู้อื่นเพราะถ้าไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่รังแกผู้อื่นก็จะไม่ได้สิ่งที่ตนเองอยากได้และเมื่อเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจจะรู้สึกทุกข์ทรมานจนทนไม่ไหวจนต้องไปทำบาปทำกรรมเพื่อที่จะ ได้สิ่งที่อยากได้มาบรรเทาความทุกข์ใจของตนให้มันหายไปก็จะมีการทำบาปทำกรรมกันอยู่เรื่อยๆและบาปกรรมที่ทำนี้มันก็มีผลต่อจิตใจของสัตว์โลกเป็นตัวที่จะสร้างความทุกข์ใจให้กับสัตว์โลกทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ และหลังจากที่ตายไปแล้วบาปกรรมที่ทำมาไว้เวลาทาเวลาร่างกายตายไปแล้วก็จะไปผลิตความทุกข์ให้กับดวงจิตดวงวิญญาณของผู้ตายทำให้เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ลุมแล้วอยู่ตลอดเวลาจึงปรากฏเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆเป็นเปรต ดวงวิ ญ, ญญาณที่เป็นเปรตก็เพราะทุกจากความโลภดวงวิ ญ, ญญาณที่เป็นอสุรกายก็ทุกจากความกทุกข์จากความกลัวทำบาปด้วยความกลัวดวงวิ ญ, ญญาณที่เป็นนรกก็ทุกข์กับความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาท เพราะทำบาปด้วยความโ ก, กรธเกลียดเคียดแค้นพยาบาทนั่นเอ ง, องการกระทำเหล่านี้มันจะสะสมทุกทุศก์สะสมไฟนรกไฟไว้สมเผาจิตใจทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่ทุกครั้งเวลาคิดถึงบาปที่ทำไว้ไฟใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีและเวลาที่ร่างกายตายไป ใจก็จะคิดแต่เรื่องบาปที่ตนได้ทำไว้อยู่เรื่อยๆจึงผลิตความทุกข์ให้แก่ดวงวิญญาณอยู่เรื่อยๆนั่นเองอนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาปหลังจากที่ตายไปแล้วก่อนที่จะไปเกิดใหม่ก่อนที่จะไปได้ร่างกายอันใหม่ ใจก็จะต้องอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณที่ทุกร้อนด้วยวิธีต่างๆทุกร้อนด้วยความโลภเพราะขณะที่มีชีวิตอยู่เวลามีความโลภอยากได้อะไรก็มักจะทำด้วยการกระทำบาปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยทุกข์ด้วยความหิวโหวย ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหิมจากพ่อดวงวิญญาณที่ทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความกลัวมันจะปรากฏเป็นภาพเหมือนกับตอนที่นอนหลับตอนที่เวลาฝันนั่นเองลองสังเกตดูบางครั้งเราอาจจะฝันว่าเราไปตกทุกข์ได้ยากลาบากลาบนอดอยากขาดแคลนไม่มีอาหารกินไม่มีน้ำดื่ม นั่นละคือลักษณะของดวงวิญญาณที่เป็นเประหรือถ้าเราฝันว่าเราไปเจอเหตุการณ์น่าหวาดเสียวน่าหวาดกลัวต่างๆอันนั้นก็จะเป็นดวงวิญญาณของอสุรกายแล้วก็บางครั้งอาจจะฝันว่าไปมีเรื่องมีราวกับคนนั่นคนนี้ไปฆ่าฟันกันไปรบลัไปทาร้ายกัน ไปทุบตีกันอันนี้ก็เป็นนรกเนี่ยเป็นสภาพของดูวิญญาณที่เป็นนรกเือพูดง่ายๆก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้ดูภาพยนตร์ชนิดต่างๆนั่นเองบางคนก็ในสมัยนี้เราก็มีภาพยนตร์ให้เราเลือกดูได้อยากจะดูเรื่องหวาดเสียวหวาดกลัวก็ดูหนังผีกัน อยากจะดูเรื่องแก่งแย่งชิงดีเรื่องทุกข์ยากลาบากใบตกระกรมลาบากอยู่กลางทะเลทรายอยู่กลางน้ำกลางที่ไหนที่ไม่มีสิ่งคํานวยความสุขอยู่กับความอดอยากขาดแคลนอยูอ่แบบผู้ลี้ผู้ลีภัยผู้อบพยพไปอยู่ตามศูนย์อบพยพต่างๆ อันนี้ก็จะเป็นสภาพของดวงวิญญาณ เ, เวลาตายไปดวงวิญญาเราจะเป็นเหมือนกับไปเลือกดูหนังเลือกวิธีเลือกของเราก็คือเวลาที่เราอยู่นั่นเราจองตั๋วกันตีตั๋วกันไว้ว่าจะดูหนังผีหรือดีหรือหนังบูหรือหนัง ห, หวาดเสียวอะไรต่างๆทุกครั้งที่เราทำบาปเนี่ย มันจะเป็นเหมือนกับการตีตัวไว้ดูหนังกันดูหนังที่หวาดเสียหวาดกลัวดูหนังที่น่าดูแล้วจะเกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมานี่คือผลของการที่ทำบาปในช่วงที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่อยากได้อะไรอยากได้ลาบยศสรรเสริญ อยากได้รูปเสียงกลิ่นโน้นต่างๆชนิดต่างๆถ้าไม่สามารถหาได้โดยวิธีไม่ทำบาปก็มักจะเอาวิธีทำบาปเป็นวิธีกันเพราะไม่รู้ว่ามีผลเสียหายหต่อจิตใจตามมารู้ว่าเพียงแต่อาจจะถูกจับไปลงโทษ ติดคุกติดตารางซึ่งก็อาจจะหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อาจจะไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้กระทำบาปนั้นก็ได้ ก, ก็เลยไม่ค่อยกลัวเรื่องการกระทำบาปกันอกอกพอตายไป ก, ก็เลยต้องไปเป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ร้อนชนิดต่าง ๆ, ๆกันไปไปดูภาพยนตร์ที่ มีแต่ความทุกข์ต่างๆให้ดูไปจนกว่าภาพยนตร์ต่างๆที่ได้จองตั๋วไว้ได้ซื้อตั๋วไว้ฉายหมดแล้วถึงจะมีโอกาสที่จะมารับร่างกายของมนุษย์ใหม่ต่อไปแล้วพอมาเกิดใหม่ก็ กลับมาทำเหมือนเดิมอีกตามนิสัยเดิมใคยทำอะไรด้วยวิธีทำบาปก็จะทำบาปต่อไปยกเว้นว่ามาเกิดแล้วมาพบกับคนที่เขารู้ว่าการทำบาปนี้เป็นพิษเป็นภัยและคอยสอนคอยเตือนคอยห้ามเช่นมาเกิดในครอบครัวของคนที่เชื่อบุญเชื่อบาป ตัว บ, บาปมีฮลริโอตปะก็จะถูกสอนในขณะที่เป็นเด็กไม่ให้กระทำบาปต่างๆซึ่งถ้าเป็นจิตใจที่ไม่ดื้อรั้นก็จะสามารถเปลี่ยนนิสัยเก่าได้จากนิสัยที่เคยทำบาปมาเลิกทำบาปได้ แต่สหรับบางคนอาจจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นคนที่ดื้อรั้นไม่เชื่อฟังคำสั่งคำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่เวลาต่อหน้าก็อาจจะไม่กล้าทาเพราะอาจจะถูกลงโทษเช่นอาจจะถูกตีแต่พอเวลาอยู่รอบหลังผู้ใหญ่ไม่มีใครรู้ใครเห็น ก็อาจจะไปทำบาปตอบได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละดวงจิตดวงใจที่จะเป็นผู้ที่จะเลือกว่าจะทำอะไรดีหรือไม่ดีส่วนหนึ่งก็อาศัยคนที่รู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปมาสอนแล้วถ้าเชื่อมีศรัทธาแล้วพยายามปฏิบัติตามคำสอนของผู้รู้ได้ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนจิตใจของตนเองได้เปลี่ยนการกระทำของตนเองได้อยากทำบาปก็เลิกทาบาปได้ จากการไม่เคยทำบุญก็เปลี่ยนมาทำบุญได้<ม>ก็จะเปลี่ยนทิศทางของชีวิตของจิตใจ<ม>ที่เคยเวียนว่าตายเกิดในพบที่ต่ำพบที่มีความทุกข์คือพบของอบายทั้งหลาย ก็าอาจจะเปลี่ยนมาเรียนวหายตายเกิดในภพที่มีมีความสุขคือภพของเทวดาต่างๆหรือภพของพมอันนี้เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายนี้สามารถลิขิตไดอ้อนาคตของมนุษย์ ของจิตใจของสัตว์โลกนี้ไม่ได้อยู่ที่พรหมลิขิตแต่อยู่ที่กรรมลิขิตกรรมคือการกระทํานี่แหละของดวงจิตดวงใจแต่ละดวงที่จะเป็นผู้ที่จะมาลิกิตอนาคตของดวงจิตดวงใจว่าจะไปในทิศทางไหนน ทิศทางที่จะไปนี้ก็มีอยู่สามทิศทางด้วยกันสองทิศทางแรกนี้เป็นทิศทางที่อยู่ในตายพบอยู่ในวัฏสงสารเคย อ, อยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดมีสองทางด้วยกันถ้าทำบุญก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุขคติ จากมนุษย์ก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมแล้วก็จากพรหมจากเทพก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเวลามาเป็นมนุษย์ก็มันทำแต่ความดีมันรักษาศีลลนะเว้นการกระทำบาปทำบุญทำทานตามโอกาสตามกำลังถ้ามีโอกาสฝึกจิตทำใจให้สงบก็จะได้ ยกระดับจิตขึ้นสู่ระดับพรหมถ้าทำได้แต่เพียงรักษาศีล5ทำบุญทาทานก็ยกระดับจิตได้ระดับของเทพแต่ทั้งสองระดับนี้ก็เป็นของชั่วคราวอยู่ภายใต้กฎของตายลักอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมหมดไปจากพรหมก็จะลงมาเป็นมนุษย์ใหม่ จากเทพก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญใหม่รารักษาศีลใหม่มาฝึกจิตมาภาวนาใหม่ตามาตามวิสัยเดิมหรือตามคำสั่งคำสอนของคนดีของคนฉลาดที่ได้มีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกัน ถ้าอยู่กับคนดีคนที่รักษาศีลคนที่ทําบุญทําทานเขาก็จะชวนเราไปรักษาศีลไปทําบุญทําทานถ้าอยู่กับคนที่เขาฝึกสมาธิคนที่ถือศีลแปดฝึกสมาธิเขาก็จะชวนให้เราถือศีลแปดฝึกสมาธิกันไป <c oughs> อันนี้คือทางหนึ่งที่ทางเรียกว่าทางสู่สุขคติแต่ยังเป็นทางที่ ยังติดอยู่ในตายพบอยู่ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพียงแต่ว่าเป็นการเวียนว่ายตายเกิดที่ดีที่มีสุขมากกว่ามีทุกข์อีกทางหนึ่งก็ทางสู่อบายหรือทางสู่ทุกขติอันนี้คือทางของผู้ที่ทําบาปไม่รักษาศีลห้า ผู้ที่เสพอบายามุขเนี่ยดื่มสุรายามเมาเล่นการพนันเที่ยวเตรครบคนชอบอบายามุขเป็นมิตรละมีความเกียดค้านชอบความเกียดค้านนะก็จะทำให้ไม่ช้าก็เร็วจะต้องไปทำบาปเพราะการเสพอบายามุกนี้มีแต่สูญเสียรายได้มีแต่รายจ่าย ไม่มีรายรับเมื่อไม่มีรายรับเวลาต้องการไรายได้ก็มักจะไปหาไรายได้ด้วยวิธีทําบาป น, นั่นเองก็จะทําบาปไปตลอดชีวิตก็ว่าได้พอาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเกิดในอบายาไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆ ตามบาปชนิดต่างๆที่ทําไว้ถ้าทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทําบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นนสุลกายทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกทําบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นเดรัจฉานอันนี้ก็เป็นการเวียนว่ายตายเกิดอีกแบบหนึ่งแบบทุกขติคือเป็น เวียนว่ายตายเกิดแบบมีแต่ความทุกข์มากกว่ามีความสุขแต่ก็ยังเป็นการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะไม่ว่าจะไปเป็นเปรตไปเป็นนสุลกายไปเป็นนกรกแล้อไปเป็นเดลฉานเมื่อบาปที่ส่งพาส่งให้ไปเป็นบทดกำลังลงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่ดีนั่นเอง มนุษย์ที่ชอบทําบาปมนุษย์ที่ชอบอบายามุขนะชอบเบียดเบียนผู้อื่นชอบสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเพราะมันเป็นนิ ส, สัยที่ติดมากับใจเพราะว่าเคยทําแบบนี้มาอยู่เรื่อยๆมันแล้วก็ติดเป็นนิ ส, สัยกันนี่คือทางไปของผู้ ของมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปสองทางนี้และมักจะไปทางทุกขติมากกว่าไปทางสุขติกันเพราะสังเกตดูจากเหตุการณ์ต่างๆที่มีในโลกนี้จะรู้สึกว่าคนดีนี่น้อยกว่าคนไม่ดีคนชั่วคนทำบาปนี้รู้สึกว่า จะมีมากกว่าคนคนดีคนทาบุญอันนี้อาจจะเป็นการคาดการผิดก็ได้ถ้าผิดก็ขออาภัยด้วยแต่จากการที่ได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นก็รู้สึกว่าการทำบาปมันง่ายกว่าการทำความดีแล้วก็ทุกคนก็อยากจะมีความสุขกัน เมื่อมีความสุขจากการทำบาปได้มันง่ายกว่าไปมีความสุขจากการทำความดีกันก็ mm hmm. มักจะไปทำบาปกันเพื่อที่จะได้ความสุขกันนั่นเอง mm hmm. นี่คือวิธีของจิตใจของสารโลกในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา mm hmm. แต่ถ้าในยุคใดมีพระพุทธศาสนา mm hmm. ก็จะมีทางใหม่อีกทางหนึ่งเป็นทางเลือกให้แก่สัตว์โลกคือทางออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในตายพบต่อไปไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์มาทาบุญทาบาปตายไปแล้วก็ไปรับผลของบุญของบาป เสร็จแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญทำบาปใหม่เอถ้ามีพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็จะบอกจะสอนวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาทำบุญทำบาปแล้วก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปตามลำดับต่อไปเอ อันนี้แหละเป็นทางเลือกที่นานๆจะปรากฏขึ้นมาให้แก่สัตว์โลกสักครั้งหนึ่งทางเลือกนี้เนี่ยที่เราเรียกว่าแสงสว่างแห่งธรรมเหมือนกับคนมาเปิดแผนที่ให้ผู้ที่เดินทางได้เห็นว่ามีอีกทางหนึ่งเหมือนแผนที่นี้ถูกถูกอะไรปิดบังเอาไว้ แล้วมีคนมาแกะไอ้สิ่งที่ปิดบังออกให้เห็นว่าเนี่ยในแผนที่นี้นอกจากทางเลือกสองทางแล้วยังมีทางที่สามทางของการไม่เวียนว่ายตายเกิดทางของการไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปเพราะจะไม่ต้องมาเกิดเมื่อไม่มาเกิดก็จะไม่มีการทำบุญทาบาป เมื่อไม่มีการทำบุญทำบาปก็จะไม่มีการไปเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปนี่คือทางเลือกที่สามที่จะเกิดขึ้นในยุคที่มีพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธศาสนาที่พวกเรารู้จักกันนี้ก็มีอายุประมาณ 2,500 กว่าปีแล้วและตามคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าผู้ทรง ก่อตั้งพระพุทธศาสนานี้ขึ้นมาก็ทรงเห็นว่าศาสนานี้จะอยู่ในโลกนี้ได้ไม่เกินห้าพันปีจะทำหน้าที่สั่งสอนให้แสงสว่างแก่สัตว์โลกให้รู้จักทางเลือกที่สามนี้ได้ประมาณห้าพันปีด้วยกันซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมา ครึ่งทางแล้ว 2,563 ปีก็ <c oughs> เหลือ 2,437 ปีปโดยประมาณที่ยังจะมีแสงสว่างแห่งธรรมมีคำสั่งคำสอนมีผู้ที่รู้คำสั่งคำสอนนี้มาเผยแผ่มาบอกมาเล่าให้ฟังกัน <c oughs> หลังจากนั้นแล้วก็จะไม่มีผู้รู้ คือไม่มีพระอารหันตสาวกมาคอยสั่งคอยสอนสัตว์โลกอีกต่อไปเมื่อไม่มีพระอารหันตสาวกไม่มีพระอาริยสงสารวกสัตว์โลกก็จะไม่มีคนที่รู้ทางอย่างแท้จริงถึงแม้ยังจะมีคำสอนติดอยู่เป็นตัวหนังสืออยู่ในพระไตรปิฎกก็ตามแต่ผู้ที่ศึกษาจากพระไตรปิฎกนี้ก็จะ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุให้หลุดพ้นได้เพราะเวลาอ่านหนังสือก็อาจจะแปลความหมายผิดไปเข้าใจผิดไปเวลาปฏิบัติก็อาจจะไม่ปฏิบัติตรงกับที่ได้ศึกษาได้อ่านมามผลก็เลยจะไม่ปรากฏขึ้นมาต่อไปอนี่คือทางเลือกที่สาม ที่มาจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติบัญพระขึ้นมาก็เพื่อให้พวกเราได้มาได้ยินได้ฟังเรื่องของทางเลือกที่สามนี้นี่เองว่ามีอีกทางหนึ่งที่จะพาให้เรานี้ได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะชีวิต ที่เรามาเกิดกันนี้ถึงแม้ว่าจะมีสุขสุขบ้างสุขมากบ้างสุขน้อยบ้างก็ตามสำหรับบางท่านบางคนแต่ทุกคนก็จะต้องเจอความทุกข์กันทุกจากความแก่ทุกจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกจากความตายทุกจากการพัดพากจากกันทุกจากการวิตก กังวลห่วงใหญ่ทุกจากความหวาดกลัวกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะสามารถหลุดพ้นได้ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาน้าการพบกับพระพุทธศาสนาก็ต้องรู้จักว่า การที่ได้พบของดีแล้วนี้จะเอาประโยชน์จากของดีนี้ได้อย่างไรถ้าไม่รู้จักวิธีที่จะเอาคุณประโยชน์จาก พ, พระพุทธศาสนาก็อาจจะเป็นเหมือนไก่ได้พลอยไก่นี้เวลาขุดคุ้ยหาอาหารก็จะหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือน พอรู้ว่าเป็นอาหารกินแล้วจะทําให้เกิดความสุขกายสุกใจขึ้นมาแต่เวลาไปขุ ด, ข ด, ขดคุย้ยเจอพลอยเจอเพชรนี้ก็เหมือนคิดว่าเป็นก้อนดินก้อนเห็นไปพอไม่สามารถเอามารับประทานได้ก็เลยเขี่ยทิ้งไปเพราะไม่รู้ว่าวิธีที่จะเอาประโยชน์จากเพชรพลอยนี้ทําอย่างไรนั่นเอง แต่ถ้าเป็นมนุษย์นี่ยมาเจอเพชรเจอพลอยเขา้าเนี่ยจะรู้คุณค่าของเพชรของพลอยทันทีและจะรู้วิธีที่จะเอาคุณค่าของเพชรของพลอยนี่มาได้อย่างไรคนที่เก็บเพชรเก็บพลอยได้ก็รู้แล้วเดี๋ยวเอาไปขายได้แล้วเอาไปขายก็ไปแลกเอาเงินมาได้แล้วพอได้เงินมาก็ไปแลกกับสิ่งของต่างๆที่อยากได้ อยากกินอะไรก็ได้อยากจะดูอะไรก็ได้อยากจะฟังอะไรก็ได้อยากจะมีอะไรก็ได้ซื้อได้หมดนี่คือความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับไก่ที่เกี่ยวกับเรื่องเพชรพลอยไก่นี้ไม่มีปัญญาที่จะรู้คุณค่าของเพชรของพลอย จึงไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการที่ได้มาพบเพชรพบพบลอยเจอก็เขียเข่ยทิ้งไปเขี่ยทิ้งไปมนุษย์ที่มาเจอกับพระพุทธศาสนานี้ก็เป็นอย่างนั้นมีอยู่สองชนิดด้วยกันพวกที่เป็นไก่กับพวกที่เป็นมนุษย์พวกที่เป็นไก่พอเจอพระพุทธศาสนานก็ไม่สนใจ ในประเทศไทยเรียกว่าเป็นประเทศที่มีพมีเรียกว่าเป็นประเทศของพุทธศาสนาประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของตนแต่ถึงแม้ว่าจะนับถือก็ตามแต่บางทีก็นับถือแบบไก่กันคือไม่รู้ว่า พระพุทธศาสนานี้มีคุณค่ามีประโยชน์กับชีวิตของตนอย่างไรบ้างก็เพราะว่าไม่ได้ศึกษากันนั่นเองอมไม่ได้ศึกษาได้ของดีมาแต่ไม่ได้รู้ว่าของดีนี้มีคุณค่าราคาอย่างไรคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องของเพชรของพลอยพอเห็นเพชรเห็นพลอยก็อาจจะคิดว่าเป็นก้อนหิน เป็นของธรรมดาทั่วไปดังนั้นการที่จะได้รับคุณได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนานี้ผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วนี้ถ้าไม่รู้คุณค่าของพระพุทธศาสนานก็ถือว่ายังเป็นไก่อยู่แล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนจากการเป็นไก่ให้มาเป็นมนุษย์ คือให้รู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาก็จาเป็นที่จะต้องศึกษาว่าพระพุทธศาสนานี้มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรนั่นเองและการที่จะศึกษาก็คือการฟังเทศฟังธรรมนี่แหละนี่แหละทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ความสาคัญต่อการเผยแผ่ธรรมะการสั่งสอนธรรมะและ ฟังเทศฟังธรรมด้วยการบัญญัติวันพระขึ้นมาวันธรรมมะสวนาขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ที่ยังเป็นไก่อยู่ผู้ที่ยังเป็นไก่อยู่นี้ได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาเหมือนกับศึกษาคุณค่าของเพชรของพลอยว่ามีคุณค่าราคามากน้อยเพียงไรอย่างไร จะได้ใช้ประโยชน์เอาประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้ถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้หรือถ้าศึกษาก็แบบผิวเผินก็จะรู้เพียงผิวเผินซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะรู้เพียงผิวเผินเท่านั้นรู้ว่าศาสนาสอนให้ทําให้เป็นคนดีให้ทําบุญไม่ให้ทําบาปอก็จะทํากันในระดับนั้น คือทำบุญบ้างทำไม่ทำบาปบ้างตามโอกาสตามเวลาแต่ไม่อาจจะถึงกับทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจให้กับการกระทําอย่างจริงจังาบางเวลาก็ยังอาจจะทําบาปได้อยู่เพราะถ้าต้องเสียผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับถ้าไม่ได้ทําบาปก็อาจจะต้องยอมทําบาปไป แต่สำหรับผู้ที่ศึกษาอย่างท่องแท้เห็นคุณเห็นโทษของบุญของบาปเห็นวิธีการที่จะพาให้จิตใจได้หลุดทอนหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะทำแบบจริงจังเชื่อแบบจริงจังทำอย่างจริงจังไม่ทำบาปก็ไม่ทำบาปอย่างจริงจัง ทำความดีก็ทำอย่างจริงจังปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติอย่างจริงจังเพราะเชื่อในผลที่จะเกิดขึ้นตอบมาจากการกระทำเหล่านี้นั่นเองดังนั้นการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วนี้ยังไม่ถ้ายังไม่รู้จักคุณค่าของพระพุทธศาสนาอยู่ ก็ยังเป็นเหมือนไก่ได้พลอยอยูอ่ก็ต้องเปลี่ยนจากการเป็นไก่ได้พล่อยให้มาเป็นมนุษย์ได้เพชรได้พล่อยแทนด้วยการศึกษาคุณค่าของเพชรของปลอยอศึกษาคุณค่าของพระพุทธศาสนาเมืม่อได้ศึกษาแล้วก็จะได้รู้ว่าพระพุทธศาสนานี่แหละเป็นผู้ที่จะสอนให้เรารู้จักทางเลือกที่สาม ทางเลือกที่ไม่มีใครรู้มาก่อนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสู้ทางเลือกที่สามนี้สารโลกก็จะเดินอยู่ในทางเลือกสองทางคือทางของการทําบุญทางของการทําทําบาปแล้วก็จะทําให้ติดกับการเวียนว่ายตายเกิดในไตพกในสังสารวัตรต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด แต่ถ้าได้มาศึกษาพระธรรมคําสอนแล้วจะได้เรียนรู้ทางเลือกที่สามว่ามีอีกทางหนึ่งทางที่จะพาให้สัตว์โลกผู้ปฏิบัติผู้เดินตามทางนี้ได้หลุดออกจากวัฏสงสารได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดออกจากตายภพ อันนี้เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราถ้าอยากจะได้รับคุณประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจำเป็นที่จะต้องมันศึกษาพราะธรรมคำสอนอยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อศึกษาแล้วก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะเข้าใจว่าทำไมเราต้องละบาปกันทำไมต้องทำบุญกัน ทำไมต้องชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กันเพราะการกระทําเหล่านี้เป็นขั้นตอนของการตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจนั่นเองนี่แหละคือทางเลือกที่สามทางที่จะพาให้สารโลกหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือการ ศึกษาและปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้นในยุคใดสมัยใดคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้จะสอนเหมือนกันหมดเพราะทางออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นทางเดียวกันทุกยุคทุกสมัยนี้ ทางออกนี้มีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นน่าจะออกได้ก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้สงสอนนั่นเองคำสอนของพระพุทธเจ้าพระทุกๆพระองค์นี้มีอะไรบ้างก็หนึ่งการละ ก, การกระทาบาปทั้งปวงสัพปาปัสปะปะปะสะอาการะานังการสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมกุศลสู้ประสัมปทา แล้วก็สาจิตะปริโยดาปะนังการทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เอตังบุตานาซาสนานี่คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คือสอนให้ละการกระทำบาปต้องป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก่อนเพราะถ้ามีความทุกข์แล้วจะไปทำบุญยากจะไป ปฏิบัติทำไปชำระจิตใจไม่ได้คนที่มีความทุกข์ใจนี้ก็จะดิน้นพยายามจะดิ้นให้หลุดออกจากความทุกข์ก่อนถึงจะคิดไปทําบุญทําอะไรได้ถึงจะคิดไปชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ในเบื้องต้นต้องอย่าสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะสร้างแล้วมันจะเป็นเหมือนกับ กำแพงขวางกั้นในการที่จะก้าวไปสู่ขั้นที่สองที่สามคือการสร้างกุศลทั้งหลายถึงพร้อมเช่นทำบาปแล้วไปติดคุกนี่เป็นยังไงติดคุกแล้วไม่มีโอกาสที่จะไปสร้างบุญสร้างกุศลที่ไหนสร้างได้ก็แต่ในคุกสร้างก็สร้างไม่ได้มากางั้นเบื้องต้นนี้ต้องละการกระทำบาปทั้งปวงก่อน นอกจากบาปแล้วบาปนี้ก็มีอยู่สองส่วนบาปที่เป็นบาปจริงๆก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีและการพูดปดอันนี้เป็นบาปแล้วก็มีอบายามุขเป็นผู้สนับสนุนเป็นเหมือนกับผู้ส่งเสริมให้เกิดการกระทำบาปขึ้นมาก็ต้องละทั้งสองส่วนนี้ และการกระทำบาปและอบายามุกบาปก็คือไม่ฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดโกหกหลอกลวงอบายามุกก็ได้แก่ดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวเตะชอบความเกลียดค้านชอบคบคนชอบอบายามุกเป็นมิตรเนะีอันนี้เป็นขั้นตอนขั้นที่หนึ่ง ของการที่จะเดินทางบนเส้นทางทางเลือกเส้นที่สามนี้ถ้าเป็นสบายนี้ก็เป็นทางหลวงหมายเลขสามหมายเลขหนึ่งก็ขึ้นเหนือหมายเลขสองก็ลงใต้หมายเลขสามนี้ก็มาทางตะวันออกมาอ ท, ทางทางธรรมก็หมายเลขหนึ่งก็คือไปอบาย หมายเลขสองก็ไปสุขคติหมายเลขสามก็ออกไปจากตายภพต้องขั้นตอนที่หนึ่งก็คืออย่าไปทางทางอบายละเว้นการกระทำบาปและอบา ย, ยมุกทั้งหลายพอทำได้แล้วจิตใจก็จะไม่มีความทุกมาเป็นอุปสรรค ก็จะสามารถไปทำบุญทำกุศลต่างๆได้เบื้องต้นก็อาจจะเสียสละแบ่งปันมีข้าวของเงินทองมีอะไรว่างมีเวลาว่างไปทำคุณทำประโยชน์ให้กับสังคมกับบุคคลต่างๆหรือกับสัตว์เดรัจฉานทำแล้วก็จะทำให้เกิดมีความสุขใจเอ่มใจขึ้นมา อันนี้เป็นเหมือนอาหารของผู้ปฏิบัติก่อนที่จะไปปฏิบัติธรรมได้ใจต้องมีอาหารก่อนมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความพอใจในระดับหนึ่งไม่หิวโหยกับการไปกระทำตามความโลภความอยากต่างๆพอใจได้รับอาหารใจคือการสร้างบุญสร้างกุศลแนละ้วทีนี้ก็จะมี กำลังที่จะไปชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ที่เป็นขั้นที่สามไปภาวนาสมถภาวนานะวิปัสสนาภาวนาถ้าใจยังหิวยังไม่มีความอิ่มยังหิวกับการไปเที่ยวยังหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะ ยังหิวกับความเป็นใหญ่เป็นโตยังหิวกับความสวยความงามฮะอย่างที่เราเคงเห็นกันในเฟซทุกวันนี้ออกม า, ามาแสดงมาเล่าให้ฟังถึงวิธีาหาความสุขเพื่อบาบัดความหิวต่างๆเสริมความสวยความงามต่างๆหาอาหารชนิดต่างๆแปลกๆใหม่ๆมาให้ ดูให้กินให้รับประทานถ่ายรูปมาแชร์มาแจกกัน <c oughs> นี่แสดงว่าเป็นจิตใจที่ยังหิวโหวยอยู่ <c oughs> และการไปเสพของเหล่านี้ไม่ได้ทำให้จิตใจอิ่มเอิบ ม, <c oughs> มันเป็นความอิ่มชั่วข่าวชั่วประเดียวประดาชั่วตอนที่ได้เสพ <c oughs> พอสักหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงก็หิวขึ้นมาใหม่ <c oughs> ต้องเสพใหม่ ด้านเกษตรอาหารเสพเครื่องดื่มเสร็จแล้วก็ต้องไปเสพรูปเสียงไปดูหนังไปฟังเพลงไปเข้าบาร์เข้าพับไปร้องรำทำเพลงอะไรต่างๆสลับกันไปวนไปเวียนมาอย่างนี้ถ้าใจเป็นแบบนี้ก็จะไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปภาวนาไปปีกวิเวกไปชำระความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ยึงถ้าใจยังหิวโหยกับความสุขเหล่านี้อยู่จำเป็นต้องใช้การสร้างบุญสร้างกุศลการทำบุญชนิดต่างๆแทนที่จะเอาเงินทองไปเที่ยวกันเอาเงินทองไปทำบุญกัน <c oughs> ชอบทำบุญแบบไหนก็เลือกทำได้เป้าหมายก็คือให้ใจสุขให้ใจอิ่มส่วนผู้ที่รับการกระทานี้จะเป็นใครก็ได้เป็นพระก็ได้ ถ้าทำบุญกับพระแล้วมีความอิ่มใจสุขใจก็ไปทำบุญกับพระถ้าทำบุญกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมีความสุขใจอิ่มใจก็ไปทำกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยทำกับคนแก่คนชราก็ได้ทำกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้บางคนปล่อยนกปล่อยปลาแล้วมีความรู้สึกอิ่มเ อ, อิบใจมีความสุขใจขึ้นมาอันนี้คือขั้นที่สอง ในการที่จะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดขั้นที่หนึ่งก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงก่อนละอบายามุขเพื่อที่ใจจะได้ไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจมาคอยขัดขวางการจะไปทำบุญทำกุศลนั่นเอง พอใจไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายแล้วทีนี้ก็จะมีกระจิตกระใจที่อยากจะไปทาบุญเวลาอยากจะมีความสุขแทนที่จะไปเที่ยวไปซื้อของไปชอปปิง้งไปซื้ออะไรแปลกๆใหม่ๆก็เปลี่ยนไปเอาเอ า, เอาเงินเหล่านี้ไปทาบุญแทนไปสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพไหนไม่สำคัญเพราะเป็นเหมือนอาหารเนี่ย อาหารที่เรารับประทานนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดไหนมันก็ให้ผลเหมือนกันคือให้ความอิ่มกับร่างกายใเวลาเราหิวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้กินข้าวผัดก็ได้อกินเบอร์เกอร์ก็ได้กินพิซซ่าก็ได้กินแล้วเดี๋ยวมันก็อิ่มเหมือนกันอแต่คนเราก็ชอบกันคนละชนิดกันคนชอบก๋วยเตี๋ยวก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวนคนชอบข้าวผัดก็ไปกินข้าวผัด การทำบุญก็แบบเดียวกันคนชอบทำบุญกับวัดก็ไปวัดคนชอบทำบุญกับโรงพยาบาลก็ไปโรงพยาบาลคนชอบทำบุญกับโรงเรียนก็ไปโรงเรียนคนชอบทำบุญกับสัตว์ก็ไปเลี้ยงดูสัตว์ไปปล่อยสัตว์ไปนกปล่อยปลาไปถไ่ยชีวิตวัวควายเป็นต้นทำแล้วมันก็ทำให้เกิดความอิ่มใจขึ้นมาเหมือนกับการรับประทานอาหารชนิดต่างๆ รับประทานเสร็จแล้วก็จะเกิดความอิ่มกายขึ้นมาอมพอใจอิ่มแล้วทีนี้ก็มีกำลังที่จะไปปฏิบัติขั้นที่สามได้คือไปชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยกรรมบาเพ็ญสมมถะภาวานาและวิปัสสนาภาวานานี่เองอคนที่ละ บ, บาปได้คนที่สร้างบุญสร้างกุศลได้แล้วก็อยู่ในฐานะที่จะไปปีกวิเวกได้แล้ว จะไปภาวนาได้แล้วจะไปถือสีลัแปดแล้วสำรวมอินนรีตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วสามารถไปเจริญสติไปปฏิบัติกรรมฐานได้แล้วกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่ใช้ในการเจริญสตินี่เองเช่นพุทโธพุทโธนี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่ง อาณาปณะสติก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีในการที่จะทำใจให้สงบในเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะซับฟอกใจให้สะอาดได้ต้องทำใจให้นิ่งก่อนเมื่อใจนิ่งแล้วก็จะสามารถใช้ปัญญาคือวิปัสสนามาขัดถูสิ่งที่เป็นค้าบสกปกให้ออกจากใจได้ถ้าใจยังไม่นิ่งนี้ยังไม่สามารถทาได้ เหมือนเวลาที่จะเชือดไก่นี่ต้องจับไก่มามัดให้มันแน่นก่อนไม่ให้มันดิ้นก่อนถึงจะเชือดให้มันได้หรือเวลาที่จะผ่าตัดคนไข้นี่หมอต้องวางยาสลบให้คนไข้ก่อนถ้าไม่มียาสลบเดี๋ยวเวลาผ่านคนไข้จะดิน้นดิ้นแล้วก็ผ่าไม่ได้ฉันใดใจก็เหมือนกันการที่จะผ่าหรือชำระ กิเลสตัณหาตัวที่ไปพาจิตใจไปสร้างพบสร้างชาตินี่ยําเป็นต้องในเบื้องต้นทำใจให้สงบก่อนเหมือนกับฉีดยาสงบฉีดยาสลบให้กับใจก่อนพอใจนิ่งสงบแล้วเป็นอุเบกขาแล้วทีนี้เวลามาชําหละเอากิเลสตัณหาออกจากใจนี้ใจจะไม่ดิน้นใจจะเฉยพอ พอมีอุเบกขาแล้วก็เหมือนกับมียาสำรบด้วยยาชาแล้วพอถอนฟันก็ไม่รู้จึกเจ็บพอตัดาวายวะส่วนนั้นส่วนนี้ออกไปก็จะไม่รู้จักเจ็บพอาใจสงบได้แล้วทีนี้ก็มาตัดตัวที่เป็นเหมือนกับเนื้อมะเร็งเนื้องอกที่อยู่ในร่างกายที่อยู่ในใจ เนือมะเลงที่อยู่ในใจก็มีอยู่สามตัวกาม m ตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเวลามันอยากขึ้นมาก็ตัดมันเลยทุกครั้งที่เกิดกาม m ตัณหาขึ้นมาก็ตัดมันเลยเกิดภาวะตัณหาก็ตัดมันเลยเกิดวิภาวะตัณหาก็เกิดก็ตัดมันได้เลยตัดด้วยมีดคือไตรลักษณ์นี่เห็นว่าถ้าทําตามมันแล้วจะต้องไปเจอทุกข์ เพราะสิ่งที่ต้องการมันเป็นตายรักษณ์นั่นเองมันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วข่าวมันไม่ได้เป็นของเราอไม่อยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดพอมันจากเรามันก็จะทําให้เราทุกข์ตัดด้วยมีดคือตายักณ์สายกรจะตัดนี้ต้องวางยาสลบให้กับใจก่อนด้วยการทําใจให้มีอุเบกขาพอใจมีอุเบกขาแล้วใจจะไม่ดิน้น เวลาอยากจะทําอะไรแล้วไม่ไ ม, ไม่ทําใจจะไม่ทุกข์ไม่งดเกลียดแต่เวลาใจไม่มีอุเบกขานี่เกิดความอยากขึ้นมาแล้วหงุดหงิดขึ้นมาทันทีจนทนไม่ไหวในที่สุดต้องไปทําตามความอยากนี่แหละคือทางเลือกที่สามที่พวกเรานี้โชคดีมากที่ได้มาพบมาเจอกันในพบนี้ชาตินี้เพราะการมาเกิดของเราเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะ มาได้ได้บ่อยครั้งหรือนานสักเท่าไหร่ถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งสักครั้งหนึ่งเพราะหลังจากที่เราตายไปแล้วนี้เราอาจจะต้องไปรับผลบุญผลบาปเป็นเวลาอันยาวนานก็ได้อาจจะเลยสองพันสามพันปีไปก็ได้กว่า จ, จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งแล้วรอบหน้าก็อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกนี้มาบอกมาสอนทางเลือก ที่สามนี้ให้กับเราตอนนี้เรารู้จากทางเนื้อที่สามนี้แล้วขาดอย่างเดียวก็คือการปฏิบัติตามเท่านั้นเองฉะนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เถิดแล้วยอมเป็นยอมตายไปกับการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ขาดทุนจะไม่ถูกหรอกอย่างแน่นอนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่ต้องการอะไรจากเรา ท่านมีความอิ่มความสุขแบบปามังสุขรั้งอยู่แล้วการมาสั่งมาสอนพวกเราด้วยความเนนหน็ดเหนื่อยเมื่อ้านี้ไม่ได้อะไรไม่ได้ทำให้บามังสุขทั้งในใจของท่านเพิ่มขึ้นมากแต่อย่างใดแต่ท่านทำด้วยความกรุณาด้วยความสงสารที่เห็นเรายังหลงติดอยู่กับในการเวียนว่ายตายเกิดนี้อยู่นั้นขอให้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างเต็มร้อย ร้าปฏิบัติให้อย่างเต็มร้อยเถิดแล้วรับประกันได้ว่าจะไม่ผิดหวังจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์กันที่ติดมาเป็นเวลาอันยาวนานและจะติดต่อไปถ้าไม่เชื่อไม่ฟังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พอรอหยาถาวาริวาหาปูราปาริปุเรนตีสาคลังเอวามวาอิตโตทินังเปตตานาังอุ ป, ปกาปติยิจิตังปฏทิตังตุมหังเกปเมวาสมมจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยถามณิโชติหราโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตผวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาตนาสีฤทสานิจจังวุฒาปะจายโน จตารโหมาวทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามคำถามวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามา444ย t u b บ251สูม9วิทยุออนไลน์12รวมทั้งหมด716ครับอืมเท่า ไ, ไหร่นะ9อะสูม9มก็มีคำถามอะไรก็ถามได้เลยคำถามจากผู้ฝากถาม ช่วงนี้ท่องพุทโธพุทโธแล้วจิตก็รวมเป็นผู้รู้เห็นแต่ทุกข์ของกายและจิตอีกอย่างคือช่วงนี้กินข้าวได้แค่เพียงมือเดียวเพราะไม่หิวปัญหาคือกลางคืนจิตมักตื่นนอนทําให้นอนไม่หลับควรแก้ไขอย่างไรดีครับไม่หลับก็ดีสิก็ภาวนาไปสินั่งภาวนาไปแสดงว่าจิตมีไฟแล้ว มีวิริยะเกิดขึ้นแล้วมีอทธิบาทสี่แล้วเห็นรีบตักตวงเถิดเพราะคนส่วนใหญ่มักจะเกิดปัญหาจากการง่งวงนอนมากกว่านอนไม่หลับคนบางคนถึงต้องบังคับถือเนสัตชิกเพื่อแก้ปัญหาเรื่องง่วงนอนให้ถือสามวิรยาบทเพราะจิตเราสงบแล้วมันจะตื่นไวมันจะไม่ง่วงมันจะนอนน้อย เห็นถ้ามันไม่ง่วงก็ดีสิลุกขึ้นมาเดินจงกรมเลื่นขึ้นมานั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไป เ, เป็นของดีกลับไปโยนทิ้งกลับไปเอาของไม่ดีอยากจะนอนออนอนก็เป็นหมูเป็นหมาถ้าปฏิบัติก็เป็นพระอริยะยังอยากเป็นหมูเป็นหมาอยู่ยังไม่อยากเป็นพระอริยะถ้าอยากจะเป็นพระอริยะนี้ต้องรีบปฏิบัติต่อเอ คำถามจากคุณแมวการที่เราใส่บาตรทุกทุกวันกับการที่เราไปวัดทุกวันพระอย่างไหนที่ควรกระทาแล้วบุญกุศลใดได้มากกว่ากันครับถ้าพูดถึงเรื่องของการใส่บาตรใส่ทุกวันกับการใส่อาทิตย์ละครั้งกับที่วันพระนี่ใส่ทุกวันจะดีกว่าเพราะเราต้องการสร้างนิสัย ข, ขึ้นมาปลูกฝังนิสัย ข, ขึ้นมาพอเราทาอะไรเป็นนิสัยแล้วมันจะทาง่าย ถ้านานๆทำทีมันจะไม่ติดเป็นนิสัยพอมีเหตุการณ์อย่างอื่นมารบกวนมาขัดขวางก็อาจจะไม่ไปเช่นวันพระนี้มีเพื่อนมาชวนเฮ้ตอนนี้เขาเปิดสถานที่นั้นที่นี้รับไปไหมอพอมีชวนเพื่อนมาชวนก็อาจจะไปทันทีไว้วัดไว้วันหลังไห้ไปก็ได้จะคิดอย่างนี้กัน แต่ถ้าทำบุญทุกวันทุกวันนี่พายจะมาชวนให้ไปทำอย่างอื่นก็บอกเดี๋ยวขอให้ใส่บาตรฝั่งขอให้ได้ทำบุญก่อนครับค่อยไปทำอย่างอื่นต่อคำถามจากคุณอ่อนทิพาโยมเ จ, เจริญสติต่อเนื่องได้พอสมควรช่วงนี้จะรู้สึกกายที่เคลื่อนไหวรู้ถึงอริยบทของตัวเองแทบตลอดเวลาเจ้าค่ะรู้ว่าตัวเองกาลังคิด ซึ่งก็เห็นว่าคิดแทบตลอดเวลาแบบสเปสปะหรือเหมือนพูดในใจไม่ได้ออกเสียงตอนนอนก็ยังคิดหรือฝันจึงเหมือนหลับไม่สนิทเจ้าค่ะตื่นมาจึงรู้สึกง่วงเงียไม่สดชื่นควรทําอย่างไรครับเพราะการจเจริญสติของเราไม่ไม่หยุดความคิดนั่นเองตอนที่เรารู้กับร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่นี้ต้องรู้อยู่อย่างเดียวยรู้อยู่กับร่างกาย อย่าให้ความคิดมันเกิดขึ้นมาถ้าปล่อยให้เกิดความคิดขึ้นมาก็แสดงว่ายังเจริญไม่ถูกวิธีถ้าเราจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของการกระทําต่างๆของร่างกายจริงๆแล้วมันจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ ฉะนนต้องดึงให้มันมาจดจ่อจริงๆฮะอาจจะยังรู้แบบห่างๆยังไม่รู้แบบใกล้ชิดเนี่ยต้องรู้ทุกขั้นตอนเลยยกแขนขึ้นมายกมือขึ้นมาหยิบอาหารเข้าปากเคี้ยวอาหารกินอาหารเนี่ยมันต้องรู้ทุกขั้นตอนของการกระทําเลยมันถึงจะไม่มีความคิดเข้ามาแทรกได้ถ้ามันแทรกก็ต้องใช้พุทโธช่วยต้องพุทโธพุทโธไปอ่ปล่อยให้มันคิดนะถ้าอย่างนั้นล้ว ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นวิชาสติไปเป็นสติที่ไม่ทําใจให้สงบทําใจให้ว่างได้พอเวลานอนก็นอนหลับไม่สนิทเนเพราะยังคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาคำถามจะคุณวิรวัตในชีวิตทุกวันนี้ทุกทั้งกายและทั้งใจในเรื่องที่ติดสุขในสมาธิปัญญาไม่เกิด พระอาจารย์แนะนำว่าให้พุทธโธตลอดจะได้ไม่มีอาการดังกล่าวและตอนนี้มีอาการแทรกมาคือเกิดการผวากับสิ่งต่างๆรอบตัวและมากขึ้นคือ e ซน i ิ i v e มากขึ้นไม่กล้าอยู่คนเดียวก่อนหน้านี้ไม่ผวาเรื่องนี้ตัวสั่นไปหมดต้องปฏิบัติอย่างไรเพิ่มเจ้าค้านอกจากพุทธโธให้ได้สติแล้วก็ยังไม่ได้สตินี่เองมันถึงมีอาการเหล่านี้ ถ้ามีพุโทโธจริงแล้วอาการต่างๆมันจะไม่เกิดนี่นยังพุโทโธแบบแบบไม่ไม่ได้ผลพุโทโธคำสองคำแล้วก็ปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อถ้าอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องพุโทโธจนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาภายในใจเลยใจจะว่างจะเบาจะเย็นจะสบาย อ, อันนั้นถึงจะเรียกว่าจเจริญพุโทโธอย่างได้ผล ถ้าจเจริญพุทโธแล้วยังมีเรื่องราวปัญหาต่างๆปราอยขึ้นมานี้แสดงว่ายัางจเจริญไม่ถึงขีดที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมาฉะนั้นอย่าอย่าหยุดอย่าอย่าปล่อยให้มีช่องว่างส่วนใหญ่มักจะพุทโธอยู่สองสามคำแล้วก็ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เดี๋ยวสักพักก็กลับมาพุทโธสองสามคร 2, ั้งแล้วก็กลับไปใหม่ทาอย่างนี้มันก็เหมือนกับเหมือนกับกระต่ายเนะี่ะกระต่ายวิ่งสองสาม สองสามเที่ยวแล้วก็หยุดไปเล่นไปอนะไรแล้วเดี๋ยว ก, กลับมาวิ่งต่อเพราะเห็นว่าเต่ามันคานช้ากว่าทําแบบเต่ามันเต่ามันคานของมันไม่หยุดคานไปเรื่อยๆพุทโธต้องไม่หยุดอย่าพุทโธสองสามทีแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็กลับมาพุทโธใหม่ถ้าทําอย่างนี้แล้วความคิดมันก็จะไม่หายไป คำถามจากคุณวิเวกทางอินบ็อกซ์ครับเนื่องจากได้เห็นข่าวที่พูดถึงการบรลลุธรรมของบุคคลต่างๆจึงอยากเรียนถามว่าการบรลลุธรรมที่เขากล่าวขึ้นนั้นจริงหรือไม่และคนเหล่านั้นจะเป็นที่พึ่งได้หรือไม่ครับเพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนในกา ร, ร า, ารละเว่อแล้วไม่ว่าใครก็จะพูดอะไรก็ให้ฟังหูไว้หูก่อนแล้วก็ต้องไปพิสูจน์ก่อน ถ้าพิสูจน์ได้เชื่อได้ก็เชื่อไปถ้าพิสูจน์ไม่ได้อยังเชื่อไม่ได้ก็ก็ยังไม่ต้องเชื่อแต่ไม่ต้องไปปฏิเสธเพราะเรายังไม่รู้จริงเรายังไม่ได้ไปพิสูจน์ว่าเขาบรรลุจริงหรือไม่บรรลุจริงการไม่สามารถพิสูจน์ว่าเขาบรรลุนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้บรรลุให้เราต้องพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ฟังหูไว้หูกัน ลองเอาคำสอนที่เขาสอนมาลองปฏิบัติดูหรือว่าได้ผลหรือไม่ถ้าได้ผลอาจจะเชื่อว่าเขาบรรลุ ก, ก็ได้เ็นคนที่ฟังพระพุทธเจ้าแล้วนำไปไ ป, ปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วบรรลุได้ก็เชื่อพระพุทธเจ้าเต็มร้อยขึ้นมาไม่สงสัยคำถามจะคุณการเวลา เวลาที่นั่งสมาธิมีเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าในหูเสียงดังจนสะดุ้งมันคืออะไรครับมันก็เสียงดังนี้เป็นคืออะไรก็รู้ว่ามันเกิดแล้วดับก็แล้วกันอันนี้จังอนาตาไปกาหนดไม่ได้ถ้ามันไปยุ่งกับมันเนี่ยก็จะทุกข์ขังกันมา อ, อยากจะรู้ขึ้นมาก็ทุกข์แล้วทุกข์เพราะความอยากรู้ว่ามันเป็นอะไร จนทนไม่ไหวยังต้องมาถามคนอื่นมันเป็นอะไรแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาก็ว่ามันเป็นตายลักษจบอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคำถามจากคุณสุวัจน า, าจากการที่ได้อ่านที่พระอาจารย์ เทะนะครับทางที่ดีอย่าไปยุ่งกับชีวิตของคนอื่นเลยขอถามว่าถ้าเราไม่ได้ไปวุ่นวายกับใครแต่มีคนมาวุ่นวายกับชีวิตของเราเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรครับเราก็ต้องหลบต้องหลีกนี่หลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกถ้าไม่ได้ต้องเผชิญหน้ากันก็ก็ ใช้วิธีนิ่งให้มากที่สุดพูดให้น้อยที่สุดตอบให้น้อยที่สุดนถ้าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคาร์ดเดี๋ยวเขาก็ไปเองคําถามจากผู้ฝากถามมีสองคำถามครับคําถามแรกได้เอาของใช้ต่างๆไปฝากคุณแม่ท่านหนึ่งให้ถวายพระเราจะได้บุญไหมเจ้าคะถ้าเป็นของเราเราได้บุญถึงแม้ของที่เราฝากไปอาจจะไปไม่ถึงพระ ก, ก็ตาม เราได้บุญจากการเสียสละไม่ได้บุญจากการมีคนรับของที่เราเสียสละไปคำถามที่สองมีญาติผูกคอตายหนูได้ทำบุญถวายพระเช่นพระอาจารย์สุดใจหลวงปู่จันเรียนอุทิศกุศลให้ตลอดแต่ไม่รู้ว่าท่านจะได้รับไหมครับ รื้ไม่รู้ก็ไ ม, ม่ไม่ใช่เรื่องของเราเขาจะรับหรือไม่รับก็ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือส่งไปเหมือนเราส่งของไปส่วนผู้รับปลายทางจะได้รับหรือไม่รับมันก็ไม่ต้องสนใจคำถามจากผู้ฝากถามผมท่องพุโทโธจนเกิดผู้รู้ขึ้นและทําให้อาการนอนไม่หลับครับถูกหรือผิดครับเมื่อกี้ตอบไปแล้วเนคนนี้น่าจะใ นอนไม่หลับไม่ผิดแล้วเพียงแต่ว่าใจมันตื่นไงพอเจอผู้รู้ก็ผู้ตื่นไงผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานมันก็ไม่ง่วงเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอยู่กับโมหะผู้ผู้หลงมันก็ง่วงองพอมันตื่นขึ้นมามันก็หายง่วงพอเจอผู้รู้เจอพุทโธมันก็หายง่วงมันก็ตื่นนะมันก็ไม่ค่อยนอนแต่เดี๋ยวมันก็นอนเดี๋ยวร่างกายมันอ่อนเพลินจริงๆมันก็หลับของมันเองน แตจะให้มันหลับเหมือนเมื่อก่อนมันไม่หลับแล้วล่ะเพราะมันหลับน้อยกว่าเมื่อก่อนนอนคืนละแปดชั่วโมงสบายพอมีสมาธิแล้วบางทีนอนทีได้สองสามชั่วโมงก็ตื่นแล้วเพราะมันไม่หิมันไม่มันไม่เหน็ดเหนื่อยอมันจิตที่สงบมันไม่เหนื่อยมันไม่ง่วงง่าย คำถามจากคุณนรงชัยการเดินจงกรมที่ถูกต้องควรเดินให้ช้ามากๆกำหนดยกย่างเหยียบหรือเดินตามปกติกำหนดขวาซ้ายที่เท้าสองข้างก็พอครับแล้วแต่ถนัดบางคนถนัดช้าก็เดินช้าบางคนถนัดเร็วก็เดินเร็วบางคนถนัดแบบธรรมดากลางๆก็เดินตามมันไม่ได้อยู่ที่ช้าเร็วนะอยู่ที่ว่ามีสติอยู่กับการเดินหรือไม่ หยุดความคิดปรุงแต่งได้หรือไม่ให้ดูตรงนั้นดูที่ผลที่เราต้องการเหมือนไปตกปลาเนี่ยจะพาใช้เบ็ดชนิดไหนบางคนเบ็ดยาวเบ็ดสั้นเบ็ดที่ทำมาจากเมืองนอกเบ็ดที่ทำเองไม่สำคัญใช่ไจะเป็นเบ็ดชนิดไหนขอให้มันได้ตัวปลา การเดินจงกรมก็เหมือนกันวิธีเดินต่างๆก็เป็นวิธีของแต่ละคนแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือสติคือต้องการใจที่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาควบคุมความคิดปรุงแต่งได้ตลอดเวลาคำถามจากคุณยายา่าปฏิบัติสมาธิมาสักพักหนึ่งแล้วครับใช้เวลาสักประมาณ1 0 1ถึงนาทีจิตถึงจะเข้าที่บางครั้งจิตละเอียด แต่กายยังรู้สึกได้ว่าหยับๆยาหายใจยังกระตุกอยู่ครับมีเมื่อเช้านี้นั่งสมาธิก็ปกติดีและกำลังจะสงบแต่จิตกลับไปเห็นหน้าเพื่อนร่วมงานทำให้จิตกระวนกระวายรุ่มร้อนเหงื่อออกทั้งตัวขณะเดียวกันกายก็สงบนิ่งไม่เจ็บไม่ปวดแต่จิตวุ่นวายมากเมื่อเห็นหน้าคนคนนั้น สุดท้ายก็ออกจากสมาธิอยู่ไม่ได้จะแก้ไขอย่างไรดีครับก็ตอนนั้นเราขาดสติแทนที่จะดูลมไปเรื่อยๆพอเห็นภาพคนก็ไปเห็นไปดูภาพแทนอย่าไปสนใจภาพหรืออะไรต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ทําอย่างนั้นต่อไปถ้าดูลมก็ดูต่อไปถ้าพุโทโธก็พุโทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับอะไรต่างๆที่มาปรากฏแท้รับรู้ ถ้าไปสนใจปั๊บสติก็ขาดตอนใจก็ไปมีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้ทันทีแล้วก็จะทำให้นั่งสมาธิต่ตอไปไม่ได้คำถามจากคุณสุปราณีนั่งดูลมหายใจแล้วก็เห็นตัวหนึ่งที่คอยปรุงตลอดเวลาคิดอะไรหรือสัมผัสทั้งห้าเขาจะปรุงตลอด แล้วก็คิดน่าจะอันตรายกับคนอื่นถ้าเป็นสิ่งไม่ดีต้องทำอย่างไรดีครับก็หยุดมันซิแสดงว่าเราไม่มีสติอยู่กับพุโทโธหรือไม่มีสติอยู่กับลมนะเราไปอยู่กับตัวที่มันกำลังคิดเนี่ยอย่าไปอยู่กลับมาที่พุโทโธกลับมาที่ลมแต่เดี๋ยวตัวที่มันคิดมันก็จะหยุดไปเองถ้าต่อไปเวลามันคิดอะไรเราก็ใช้พุโทโธหยุดมันได้ คำถามจากคุณรัตนาการที่พิจารณาได้ว่าควรข้ามคำว่าดีและไม่ดีเมื่อเรามีปัญญาพิจารณาและรับรู้แล้วว่าสิ่งใดที่ดีและสิ่งใดที่ไม่ดีหลังจากนั้นให้วางลงแบบนี้เราจะไม่ทุกข์กับมันนี่คือการปฏิบัติที่ว่าวิปัสสนาใช่หรือไม่ครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าการทำความดีทำให้เราทุกข์เราก็ต้องหยุด การทําไม่ดีมันทําให้เราทุกเราก็ต้องหยุดการกระทําอะไรทั้งนั้นถ้ามันทำแล้ให้เกิดความทุกข์นี่แสดงว่าทุกผิดแล้วไม่ถูกแล้วการปฏิบัตินี้ต้องการดับความทุกข์ทุกรูปแบบเพรนบางทีอยากจะทําบุญแล้วไปอยู่ที่ที่ไม่ได้ทําบุญที่ต้องภาวนาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องตัดความอยากไปทําบุญนั่นไปเพราะเรากําลังปลีกวิเวก เช่นเราตั้งตั้งจิตอธิษฐานจะเปรีไม่เวกสิบวันสิบห้าวันพ อ, อทำได้ไม่กี่วันได้ข่าวมีงานบุญงานกุศลที่นั่นที่นี่ใจเลิศคึกขึ้นมาอยากจะไปขึ้นมาก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องหยุดความอยากที่จะไปทำบุญนั้นกลับมาภาวนาต่อ คำถามต่อไปจากคุณรบฟังครูบาอาจารย์หลายท่านและได้ลองปฏิบัติหลายแบบจนตอนนี้รู้สึกงงเหมือนกับปฏิบัติแล้วก็ยังรู้สึกทุกข์ในทุก วิธีครับทำอย่างไรต่อดีครับก <"K> ็ตามพระพุทธเจ้าดูสิตามวิคุบาอาจารย์หลากหลายมากก็ลองเอาอานาปนสติเนี่ยวิธีของพระพุทธเจา้าลองฝึกอนาปนสติเวลาเดินจงกรมก็ให้ดูร่างกายดูการเคลื่อนเท้าเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็ให้คอยดูร่างกายอย่าให้ร่างกายไปคิดเรื่องอื่น <est> ให้คิดอยู่กับเรื่องที่กําลังทําอยู่ให้รู้อยู่กับเรื่องที่กําลังทําอยู่ ของพระพุทธเจ้านี้แน่นอนกว่าเห็นเราโชคดีเราเริ่มต้นจากการอ่านจากพระพุทธเจ้าก่อนเห็นกุบาจารย์อื่นถ้ามาสอนต่างอย่างนี้เราไม่สนใจโชคดีไปอยู่กับหลวงตาท่านก็สอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าสอน <laughs> เพียงแต่ว่าแทนที่จะใช้ร่างกายท่านก็สอนให้ใช้พุทโธแทนมันก็เพียงแต่เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการเล็ก น, น, น้อยน้อยเท่านั้นเอง เน้นเอาจากพระพุทธเจ้าดีกว่าจะได้ไม่สับสนเอาของแท้ออริจินอลคบแบบคลาสสิกอันนี้โคงมีหลายรูปแบบนะแบบ no sugar แบบ low sugar อะไรต่างๆชูคลาสสิกไม่ได้ออริจินอลไม่ได้คำถามจากคุณกอล์ฟการที่เรารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าบางสิ่งบางอย่างที่เราพิสูจน์ได้ขอถามว่ามันเป็นเพราะ อำนาจสติหรือเพราะอะไรครับและควรปฏิบัติต่ออย่างไรครับก็ดูว่ามันเป็นการบังเอิญหรือเปล่ามันฟลุ๊กหรือเปล่า <c oughs> ถ้าทุกครั้งที่เรามองไปอนาคตแล้วมันตกกับที่เรามองก็แสดงว่าจิตเรามีอภินยามีความสามารถพิเศษที่สามารถรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แต่มันก็ไม่มีคุณประโยชน์ในทางที่จะตัดพพตัดชาต ตัการเวียนว่ายตายเกิดได้ฉันรู้หรือไม่รู้มีหรือไม่มีก็ไม่มีประโยชน์เลยถ้าเรามุ่งไปสู่พระ น, นิพพานสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่ไม่จาเป็นต้องรู้ต้องมีแล้วถ้าอาจจะไปรู้ไปมีอาจจะทำให้หลงทางได้อาจจะไปคิดว่านี่เป็นทางสู่นิพพานก็ได้คำถามจากคุณปริชาตินั่งขัดสมาธิแพ้เวลาทำสมาธิ พอออกจากสมาธิแล้วรู้สึกปวดขามากเจ้าค่ะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปเจ้าค่ะก็นั่งสักเดี๋ยวให้มันคลายเธรรมดาน่างกายไว้นะมันนั่งในรยาบุต่างๆมันก็ต้องเจ็บบ้างเป็นธรรมดาเจ็บเราก็รอให้มันผ่อนคลายลุกขึ้นมายืนรอสักพักเดี๋ยวมันก็หายถ้าไม่หายจริงๆก็ต้องไปหาหมอ คำถามจากผู้ฝากถามเมื่อมีบาปในใจเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรไม่ให้คิดถึงมันครับก็มีสองวิธีวิธีสติก็คือพุทโธพุทโธสู้กับมันไปวิธีที่สามก็คือปัญญาให้ดูผลของบาปที่จะตามมาเพื่อให้เกิดเกิดฮีเลโอตปะขึ้นมา ความกลัวบาปขึ้นมนาะถ้ารู้ทำแล้วเดี๋ยวติดคุกนี่กล้าไปทำไหมก็จะไม่กล้าทำาคำถามจากคุณธีรวัตรเคยนั่งสมาธิติดต่อกันมาสามถึงสี่ปีทุกวันจูจ่ๆก็เกิดการไม่สามารถนั่งสมาธิได้อีกเลยจิตใจวุ่นวายต้องหยุดมาเกือบปีแล้วครับเกิดสาเหตุ จาอะไรครับขอบคุณครับเกิดจากการไม่อยากทํานั้นแหละเลยก็ทําต่อไปเสิอยากไม่อยากถึงเวลาทําก็ทําเหมือนเวลากินข้าวเนี่ยถึงเวลากินก็กินถ้าไม่กินนะเดี๋ยวมันหิวเ อ, องั้นบางทีต้องฝืนกินเพราะบางทีบางเวลาไม่มีอารมณ์ ใจเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็เบื่อบางทีก็อยากขึ้นมางั้นอย่าทําตามอารมณ์ทําตามกําหนดการที่เรากําหนดไว้พอถึงเวลาก็นั่งจะอยากหรือไม่อยากจะเบื่อหรือไม่เบื่อก็นั่งนั่งได้ผลไม่ได้ผลไม่สําคัญขอให้ทําไปตามตามเวลาที่เรากําหนดไว้แล้ววันนี้อาจจะไม่ได้ผลอาจจะทุกจากการนั่งก็ไม่เป็นไร แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทสำสาเร็จนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำอีกเพราะฉั้นมันก็จะไม่สามารถที่จะม า, าหยุดการกระทําของเราได้แ้าเดี๋ยวอารมณ์มันก็เปลี่ยนไปอารมณ์เบื่อมันก็หายไปอารมณ์อยากมันก็กลับคืนมาใหมา่คําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระอาจารย์มาในระยะหนึ่งแล้วครับรู้สึกได้ว่าความโลภน้อยลงกโกรธ ก็น้อยลงความหลงความทุกข์มีน้อยลงเพราะติดท่องพุทโธตลอดไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนและกับการทำงานบ้านอย่างนี้เดินมาถูกทางหรือไม่ครับและจะปฏิบัติต่อไปตามสติกำลังขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำด้วยครับก็ควรจะนั่งสมาธิต่อมีสติอย่างเดียวยังมีกำลังน้อย ถ้านั่งสติแล้วนั่งนั่งสมาธิได้ใจจะได้อุเบกขาถ้าได้อุเบกขาในี่ใจมันจะอิ่มมันจะพอมันจะทําให้ความโลภความโกรธความหลงนี่แทบจะหายไปหมดเลยแต่ยังไม่หมดะถ้าเราได้ขั้นอุเบกขาแล้วขั้นต่อไปก็ต้องใช้ขั้นปัญญาเวลาอยากได้อะไรพิจารณาว่ามันเป็นตายลักไปให้หมดพอมันเห็นตายลักปับ๊บมันก็จะ หยุดความอยากได้อย่างเท้าว อ, อนต่อไปคำถามจากคุณพรไม่ได้ไปวัดแต่สวดมนต์ที่บ้านทำสมาธิจะได้บุญหรือไม่ครับได้การกระทำไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่การกระทำไปอยู่วัดแล้วไปนอนเหมือนหมาวัดมันก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้อะไรอยู่บ้านแต่ปฏิบัติเหมือนพระนั่งขัดสมาธิอยู่ในโบนี่ก็ได้ มันอยู่ที่การกระทามันไม่ได้อยู่ที่สถานที่คำถามจากคุณประตินทางเดินจงกรมที่ถูกต้องควรจะเดินทางไหนดีครับตะวันออกตะวันตกหรือว่าทางเหนือทางใต้ครับคือทางสายหลวงปูม่มานนี่เราให้ความเคารพกับคำสั่งคาสอนของท่านท่านแนะว่าควรจะเดินตามแนวตะวันคือตะวันออกตะวันตก หรือเยืองได้ตะ ว, วันตกเฉียงเหนือตะ ว, วันออกเฉียงใต้สลับกันแต่อย่าเดินเ้าเรียกว่าอะไรทานตะ ว, วันอย่าเดินทวนตะ ว, วันคื อ, อย่าเดินตามเหนือใต้อันนี้ก็ไม่มีใครกล้าถามว่าทำไมก็เลยไม่มีใครรู้ก็เพียงแต่รับทราบไว้แล้วก็พยายามทำตามถ้าทำได้ เวลาทำทางยมกมก็เอาเข็มทิศมาดูเรือดูดวงอาทิตย์ว่าอาทิตย์ทิศเนอทิศตะวันออกทิวตาวันตกอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในกรณีจำเป็นจริงๆที่ไม่สามารถกาหนดทิศได้เช่นไปอยู่ไปค้างคืนที่บ้านใครที่อยู่ไหนสักแห่งแล้วมันไม่มีที่เดินที่เดินที่เราจะเดินได้พอดีมันเป็นทิศเหนือทิศใต้ก็เดินไปเถิดมันไม่เป็นไร เพียงแต่ว่าถ้าเราทำแบบถาวรททำแบบที่เรากำหนดทิศทางได้ก็ลองเชื่อฟังครูบาอาจารย์ไปเท่านั้นเองไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญใหญ่โตอะไรทำทางทิศตะวันตกแล้วก็ไม่เดินงนั้ทำไปทำไมบางคนทำทางจะกคมสวยดยหน้าเดินแต่ไม่ยอมเดินอย่างนี้น คำถามจะคุณรัตนาตอนเราสวดมนต์ปฏิบัติหรือทําบุญในจิตเราก็อธิษฐานอุทิศบุญไปแต่ไม่ได้กรวดน้ําจะเป็นอะไรไหมเจ้าคะ่ะไม่เป็นหรอกก็ทําบุญนี้มันบุญเกิดขึ้นทันทีมันกินข้าวนะกินข้าวแล้วมันก็อิ่มทันทีทําบุญก็เกิดความอิ่มใจขึ้นมาทันทีแล้วความอิ่มใจนี้เราก็แบ่งให้กับผู้รองรับไปแล้วได้ เพยแต่ลราลึกภายในใจว่าขอแบ่งความอิ่มใจนี้ให้กับผู้ที่ร่องรับไปแนละ้วคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายถ้าหิวไม่มีไม่มีอารมณ์อิ่มก็มารับอารมณ์อิ่มนี้ไปดับความอารมณ์หิวของของท่านได้คำถามจากผู้ฝากถามเวลาจะออกจากสมาธิต้องกำหนดอย่างไรให้ถูกต้องครับ การแผ่เมตตาถือว่าเป็นการออกจากสมาธิหรือไม่ครับไม่หรอกก็กำหนดสติต่อไปวิธีถูกต้องที่สุดก็มีสติต่อไปก้อยพุโทโธออกมาก็พุโทโธต่อหรือไม่พุโทโธก็ดูว่าตอนนี้กิริยาบทของร่างกายเป็นอย่างไรกำลังลุกก็ให้รู้กำลังยืนก็ให้รู้ ไม่ใช่ออกมาแล้วสติแตกรีบวิ่งหากาแฟาวิ่งหาขนมหาอะไรกินต่อหาอะไรดูหาอะไรฟังแสดงว่าสติแตกออกมาก็ต้องคุมสติต่อเจริญสติต่อไปกำลังยืนกำลังลุกขึ้นมายืนกำลังเดินกำลังไปหยิบกาแฟาเควรจะดื่มกาแฟาหรือไม่เลืเอก อ, อะไรอย่างนี้มันถ้ามีสติแล้วมันก็จะรู้ว่า การเคลื่อนไหวการกระทําของเรานี้ไปในทางธรรมหรือไปในทางกิเลสถ้าไปในทางกิเลสเราอุตส่าห์นั่งสมาธิมาแทบเป็นแทบตายพอออกมาก็ยกให้กิเลสหมดเลยอย่างนี้ก็นั่งไปให้มันเหนื่อยเบาๆก็ต้องสู้กับมันต่อไปออกมาเฮ้ยมันหิวน้ำก็กินน้ำเสียว่าไม่ต้องกไม่ต้องดื่มกาแฟกะนะ็ได้นั่งกายมันหิวน้ํามันไม่ได้หิวกลิ่นของกาแฟมันไม่ได้หิวรสของกาแฟเอก็ดื่มน้ําให้ร่างกายไปอ ถ้าเราอยากจะก้าวหน้าหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาด้วยใช้สติด้วยแล้วมันจะก้าวหน้ามันจะไปเร็วแต่ถ้าออกมาแล้วสติก็ทิง้งปัญญาก็ทิง้งให้กิเลสนำหน้าอยากจะได้อะไรก็ทําตามมันอันนี้มันก็เหมือนเดินก้าวหน้าสองก้าวแล้วก็ถอยหลังสิบก้าวนะ <laughs> คำถามจากคุณสันการวิ่งสมาธิ ควรมีสติรู้ที่ลมหายใจหรือที่การก้าวเท้าครับหรือสลับดูทั้งสองอย่างครับอย่างไหนก็ได้ถ้าทำให้ใจเราไม่ไ ม, ไม่คิดไม่ปรุงแต่งทำให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นคือการวิ่ง คำถามจากคุณนัฐพลสำหรับการเจริญจิตภาวนาจำเป็นต้องนั่งสมาธิให้ได้วันละหลายๆลชั่วโมงไหมครับเบื้องต้นก็ต้องฝึกสมาธิก่อนก่อนที่จะวิ่งได้ก็ต้องหัดยืนหัดเดินให้ได้ก่อนพอยืนได้แล้วเดินได้แล้วค่อยไปวิ่งต่อถ้ายัางยืนไม่ได้ก็ต้องพยายามหัดยืนหัดยืนนานๆยืนแล้วก็หัดเดินนานๆ ยิ่งยิ่งยิ่งทํามากมันยิ่งชํานาญยิ่งแข็งแรงอยิ่งมีกําลังมากแล้วต่อไปมันก็จะวิ่งได้เห็นเบื้องต้นการนั่งสมาธิมือนทั้งวันทั้งคืนเลยสลับกับเดินจงกรมออกจากสมาธิมาก็เดินจงกรมเสร็จจากเดินจงกรมก็กลับไปนั่งสมาธิต่อถ้าต้อง ท, อ ท, าทอํากิจก็มีสติอยู่กิจที่เราทําอยู่ปัดกวาดก็มีสติอยู่กับการปัดกวาดทาอะไรก็มีสติอยู่กับการทํา พอเสร็จก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่พยายามเข้าสมาธิให้มากให้บ่อยเพื่อจะได้สร้างอุเบกขาให้มันมากขึ้นกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นฐานของจิตต่อไปลหลังจากนั้นก็ค่อยไปวิปัสสนาไปพิ จ, จารณาใต้ลักต่อไปอื <c oughs> มดแล้วเหะเห อ, อืมเดี๋ยวพักเดี๋ยวอาจจะมีคําถามเข้ามาต่อเดี๋ยวดื่มน้านปับ๊บเป็นไงโครงการทําวัดเย็น ขั้นตอนต่อไปยาวันไหนวันนี้หรือเปล่าเดี๋ยววันเสาร์ครับอ๋อวันเสาร์วันวันนี้จะมีนั่งสมาทีิอ๋อครับการยาวันเสาร์เมื่อวันเมื่อวันพุธทดลองสัญญาณกันนะฮก็คนคนเข้าถึงนี้วเหมือนกันเนี่ยเป็นหมื่นนะตอนนี้สี่หมื่นเจ็ดนะนั้นคุณจะสนใจนะอมีบางทีเขาทําวัดเองไม่ได้ก็อาศัยร่วมกับคนอื่นทําก็ดีเหมือนกันเห็นไหม คนีให้ทำคนเดียวสวดไม่ได้จาไม่ได้แล้วก็นั่งแล้วก็เก้อเก้อไม่รู้จะทำอะไรพอามาเปิดดูจอเข้าออกพระนั่นนั่งสวดนะแล้วก็พนมมือสวดตามท่านไปเพจะได้ไม่เหงาไม่เก้ อ, อไม่เขินดีก็แปลกใจที่คนเข้ามาดูคนเข้าถึงเยอะเหมือนกันแต่เนียงมีแชร์กันเยอะพอมีแชร์กันไปเฮ้ยมีเห็นรายการนี้เกิดขึ้นแล้ว คนก็เลยแห่กันเข้ามาดูอืวันนั้นสดมีประมาณเท่าไหร่จำนวนดูติดตามสดแลาร้อยคนสดนะนสดนะน้ำร้อยเลยเลยก็โอเคว่าพอๆกับที่ดูตอนนี้พอๆกับที่ที่มเพราะระดับจิตของคนมันก็มีหลายระดับนะการสแสดงธรรมนี่มันอีกระดับหนึ่งคนต้องมีสมาธิมากมีสติมากถึงจะนั่งฟังได้อย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าให้ใหสวดบนนี่มันมันง่ายกว่าก็ก็ดีเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนการเข้าถึงลูกค้าเพราะมีลูกค้าหลายระดับด้วยกันมีมีตลาดบนตลาดล่างฮะเหมือนบริษัทผลิตรถยนต์ใช่ไหมเขาพย า, ยามาให้เข้าถึงเบน์มีเมื่อก่อนมีแต่ราคาแพงๆต่อมาก็ต้องทำให้มันถูกหน่อยเพื่อมันจะได้เข้าถึงตลาดล่างได้ คนที่มีเงินน้อยแต่ยังขับก็ยังซื้อเบ้นมาขับได้เมื่อก่อนมีแต่ตลาดบนอย่างเดียวคนจะซื้อเบ้นนี่ต้องเงินถึงจริงๆแต่ต่อมามันก็เขาต้องการขยายกิจการให้กว้างขวางตัวต้าเหมือนกันเมื่อก่อนก็มีแต่ตลาดล่างทันห ล, ลังก็มาผลิตเล็กซสทำอะไรเข้าตลาดบนต่อไปเราก็เหมือนกันเราก็มีตลาดล่างตลาดบน พวกฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็นพวกตลาดบนนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมแต่พวกที่ยังต้องไหว้พระสวดมนต์อยู่ก็มีการถ่ายทอดสวดการสวดมนต์ก็ดีเหมือนกันไม่สามช่องเลยมีเพจพุกซูมเพจพุแล้วก็ซูมซด้อีก็จะทำทุกวันเสาร์นะเริ่มตั้งแต่ประมาณหกโมงหกมงเย็น ก็ด <NYU. S 1> ีพอหลังจากท่านสวดเสร็จท่านก็นั่งสมาธิท่านก็เทศต่อได้ไหมอะท่านเทศก็ดีมีกิจกรรมให้ทำแก้เหงาไปอยู่คนเดียวบางทีมันไม่รู้จะทำอะไรทำไม่เป็นต้องมีเทรนเนอร์เหมือนคนที่ฝึกโยคะใหม่ๆก็ต้องมีเทรนเนอร์คนฝึกแอโรบิกใหม่ๆก็ต้องมีเทรนเนอร์ทำเองไม่เป็น ต่อไปพอทำไปแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องให้เขาไม่ต้องมีเทรนเนอร์ก็ได้ทำเองก็ได้ก็ดีทำไปคนทำก็จะได้ไมีอะไรทำเงี <c oughs> ย้ยอยู่ยเฉยๆก็ไม่ให้ดูคนเดียวสวยคนเดียวก็ไม่เอาไม่มีเพื่อนต้องมีเพื่อนด้วยมีคำถามเข้ามเองไหมต่อ คำถามจากคุณนัฐพลเราสามารถปฏิบัติทมได้ทั้งวันด้วยการมีสติในการทำกิจการงานต่างๆถูกต้องไหมครับต้องเป็นสติที่ไม่คิดปรุงแต่งคิดเท่าที่จำเป็นคิดเฉพาะกับงานที่เราทำแต่ไม่ออกนอกลู่นอกทาง ไม่ใช่ทำมามีสติอยู่แต่ก็ยังไปคิดว่าเดี๋ยวจะไปทำอะไรต่อเดี๋ยวจะไปพบคนนั้นคนนี้ต่ออะไรให้มันอยู่ในปัจจุบันอย่าให้มันไปอดีตไปอนาคตถึงจะถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าไม่คิดได้ยิ่งดีถ้ารู้เฉยๆงานบางอย่างไม่ต้องคิดก็ทำไปโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ หยุดความคิดให้ได้ถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบททัติธรรมเพราะเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมก็คือทําใจให้สงบใจจะสงบก็ต้องหยุดความคิดให้ได้นั่นเองคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่พระอาจารย์เทศว่าอย่ายุ่งกับชีวิตของคนอื่นเลยแต่ถ้าเราอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่แล้วเราไม่ไปยุ่งกับใครเลยเขาจะไม่มองว่า เหมือนว่าเราไม่เอาใครไม่มีน้ำใจกับใครหรือไม่เจ้าค่ะอ๋อมันก็มีหน้าที่อยู่ด้วยกันก็มีหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกันก็ทำเฉพาะหน้าที่เหมือนแต่เราไม่ต้องไปทำก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวของเขาคางทีชอบไปยุ่งชีวิตส่วนตัวเธอไปคบกับคนนั้นทำไมเธ อ, อไปทำให้นุ่นทำไมอันนี้คืออย่าไปยุ่งแบบนั้นออ่ถ้ามีหน้าที่เกี่ยวข้องกันต้องปฏิบัต มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันก็ทำไปเจอกันก็ทักทายกันสบายดีหรืออะไรทำนองนั้นมีอะไรให้ช่วยให้ทำไหมอะไรก็ว่าไปทำไปอันนี้เป็นการปกติของการอยู่ร่วมกันต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุาเบกขาแต่ถ้าไปยุ่งกับเขาแล้วมีเป็นเรื่องวุ่นวายขึ้นมาก็อย่าไปยุ่งเท่านั้นเองความหมายแต่ถ้าไปยุ่งแล้วทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ขึ้นมาก็ยุ่งได้ ไม่ไปทําให้เขารังคร์รังค์ลำคาญบางทีเห็นหน้าเราแล้วเบื่อชอบมายุ่งกับชีวิตของเขาอย่างนี้ก็อย่าไปยุ่งหรือไปยุ่งกับเขาแล้วทาให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับ ก, ก็อย่าไปยุ่งในความหมายมันอยู่อย่งนั้นคำถามจากผู้ฝากถามการที่เรามีสมาธิ นอนได้น้อยเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมครับไม่เป็นหรอกไม่ต้องกลัวแล้วเดี๋ยวเวลาร่างกายมันต้องการจะนอนมันนอนเองเหตุนั้นถ้ามันยังไม่ไม่ต้องการมันนอนมาม า, มากแล้วนอนมาเกินมันมันสะส ม, มชั่วโมงนอนไว้เยอะแล้วตอนนี้เราเอามาเอามาใช้กับการปฏิบัติทําได้เดี๋ยวพอถึงเวลามันง่วงจริงจรงมันหาวเองหาวแล้วมันก็อยากจะนอนมันก็หยุดได้ ถ้ามันยังไม่ง่วงก็อย่าไปบังคับมันดีกว่าไปเืนเวลามันเวลามันไม่ง่วงก็จะไปบังคับให้มันนอนเวลามันง่วงก็จะบังคับให้มันไปทํางานทํานู่นทําเนี่ยคนถึงต้องกินยากันมาเวลาง่วงก็กินยาก็ต้นเห็นไหมกินยาเวลานอนไม่หลับก็กินยานอนหลับเนี่ยมันไม่ปรับตัวให้เข้ากับไม่ดูความต้องการของร่างกายในขณะนั้นว่ามันต้องการอะไรถ้ามันง่วงก็ให้มันนอนสิไปเืนมันทําไม่้ย ถ้ามันไม่ง่วงก็อย่าไปบังคับให้มันนอนเนียมันไม่ง่วงก็ลุกขึ้นมาทําอะไรสิกวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยน้างชามอะไรก็ได้เออทำใจเดี๋ยวมันก็ง่วงเองง่วงก็ค่อยๆกลับไปนอนใหม่อย่างนี้ดีกว่าทําตามธรรมชาติอา้าวสุดท้ายแล้วนะคําถามจากคุณดาบทสวดมหาสมัยยสูตร สามารถสวดที่บ้านได้ไหมครับอย่างที่บอกครัมันสวดที่ไหนก็ได้มันเป็นการปฏิบัติเป็นการเจริญสติสวดบทไหนก็ได้มหาสมัยหรือไม่มหาสมั ย, อ, มมมยอิติปิโสหรืออะไรได้ทั้งนั้นขอให้สวดแล้วแบบมีสติก็แล้วกัน พยายาปล่อยให้ใจคิดไปควบคู่กับการสวดให้อยู่กับการสวดเพียงอย่างเดียวเพื่อทําใจให้นิ่งให้สงบเท่านั้นเองอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ถามว่าที่เลือกได้ไหมถ้าเลือกได้ก็ดีก็คือต้องหาที่มันสงบจะดีกว่าที่ไม่สงบที่รอบข้างมีคนวุ่นวายนี้ส่งเสียงกระทึกคึกโคมมันก็ลําบากแต่ถ้าไปอยู่ตามลําพังไม่มีเสียงไม่มีอะไรมารบกวนมันก็จะง่ายกว่ามันก็จะได้ผลดีกว่า ถ้าเลือกได้ก็เลือกถ้าเลือกไม่ได้อยู่ที่ไหนก็สวดได้ก็สวดไปมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่การสวดหรือไม่สวดเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตรพิพพจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ยงยิ่งขึ้นไปเถอ